เจริญพรท่านประธานคณะผู้บริหารชาวอยู่แท็กชีวิตของตัวเราเองนะโดยตัวเราเองไม่มีอะไรมากมายหรอกอยู่ไปไม่ถึงร0 0ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่คือความจริงเคยเห็นไหมคนที่เกิดมาในโลกแล้วปรากฏว่ายังไม่ตายเลยไหมเดินไปเจอบอกนะแบบเกิดมาตั้งแต่ยุคมีโลกครั้งแรกเลยรุ่นไดโนเสาร์ยังเหลืออยู่ดิ ไปเจอที่ไหนให้มันบอกกับดามานะไม่มีหรอกทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ตายหมดชีวิตไม่ได้ซับซ้อนเกิดเติบโตเรียนหนังสือแต่งงานสร้างครอบครัวแก่เจ็บตายชีวิตก็เหมือนใบไม้ใบหนึ่งผลิหนางอกงามหลุดจากขั่วหล่นทับถมพผ่นดินและหายจากโลกไป และชีวิตมันมีคุณค่าตรงไหนก็ตรงที่ใครบางคนเริ่มมองอะไรเลยตัวเองออกไปนั่นคือตนเป็นที่พึ่งของตนและจากนั้นจึงให้คนก็ได้พึ่งเริ่มคิดถึงคนอื่นมากขึ้นหลังจากที่ทำอะไรเพื่อตัวเองมาพอสมควรหลังจากที่ตื่นเช้ามาเราถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะได้อะไรวันนี้ฉันจะได้อะไรปีนี้เงิน เ, นเดือนจะขึ้นไหมปีนี้ขั้นจะเลื่อนไหมตาแหน่งจะได้ไหม เนี่ยถามอย่างนี้มาสักยี่สิบปีสามสิบปีช่วงสร้างเหนือสร้างตัวนะพอหลังยี่สิบสามสิบปีเราเริ่มถามว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะให้อะไรเนี่ยตื่นมาล้างหน้าหลังตามายืนหน้ากระจกแต่งตัวก่อนออกบ้านวันนี้ฉันจะให้อะไรถ้าเริ่มคิดอย่างนี้ได้เนี่ยชีวิตมันจะมีคุณค่าตรงนี้ล่ะถ้าตื่นเช้ามาอาบน้ำอาบหน้าแต่งตัวมองตรงในกระจกเอ๊ะวันนี้ฉันจะได้อะไรถามอย่างนี้ จนกระทั่งหกสิบเกษียณแล้วก็ยังถามแบหลังวันกเกษียณนะตื่นมายังถามวันนี้ฉันจะได้อะไรถ้าทำอย่างนี้ตลอดชีวิตไม่ประเสริฐชีวิตคนประเสริฐก็ต่อเมื่อถามว่าฉันจะให้อะไรนะเราต้องให้และรับให้เป็นรับและให้นี้ต้องทําให้เป็นนะคนที่รับอย่างเดียววันหนึ่งอาจจะเสียทุกอย่างที่รับ คนให้อย่างเดียวโดยไม่รู้จักศิลปะการรับวันหนึ่งหมดเนื้อหมดตัวได้เพราะถ้าให้ไม่เป็นจะกลายเป็นคนโง่ใจดีนะเคยเห็นไหมคนโง่ใจดีรับทุกคนสงสารทุกคนจะไปซื้อกับข้าวอยู่แล้วมีอยู่ยี่สิบาทเจอคนมาขอควักให้เอาไปเถอะแล้วเดินก็เป็นลมให้แบบหมดใจภูมิใจครั้งสุดท้ายแล้วก็ตายเลยทำดี ท่านไม่ได้ให้ทำดีอย่างนี้นะทําดีมันต้องมีปัญญานะฉะนั้นจะเป็นผู้รับจะเป็นผู้ให้มันเป็นทั้งศาสรและศินนะจะเป็นผู้รับก็อย่าไปรับตลอดชาติอ่าไปรับตลอดชีวิตจะเป็นผู้ให้ก็อย่าไปให้โดยไม่ดูตาเมือตาเรือเพราะคนบางคนนั้นให้ไปก็สูญเปล่าพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แก่คนที่ให้ไม่ให้แก่คนไม่ให้หมายความว่าไง จะให้อะไรสักอย่างให้ดูว่าคนคนนั้นมีคุณค่าควรรับไหมให้ไปแล้วไม่เห็นคุณค่าหรือรับไปแล้วไม่ทําให้เกิดประโยชน์สมเจตนารมณ์ของผู้ให้ทั้งหน้ามาขออย่ากให้นี่พระเจ้าท่านตรัสไว้่างนี้ฉะนั้นคุณค่าของคนขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นบุคคลแห่งการให้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องหน้าโมทานาที่ทางองค์กรของเราได้สืบสายทานแห่งการให้มาจนปบันนี้ นี่คือวัฒนธรรมเหมือนกันให้ที่เราสืบกันต่อมาตั้งแต่ศิษย์เก่าจนถึงศิษย์ปัจจุบันซึ่งเาจะมาอยากจะขออนุโมทนาและแสดงความภาคภูมิใจกับผู้เราวันนี้เป็นความรับผิดชอบสังคมคนเราถ้าเราได้เป็นผู้ให้แล้วในชีวิตมันมีคุณค่านะแต่ถ้าเราไม่เคยให้อะไรกับใครเลยเนี่ยวันหนึ่งเราเจ็บแค่ได้ป่วยนั้นแบบอยู่บนเตียงเจนอยู่เจนไปเนะี่ยหลับตาลงถามตัวเอง ฉันเคยทำอะไรดีๆไว้บ้างมองไม่เห็นเลยคนออนสองกระถินมาให้ก็ บ, นบน่นบ่นคึกกระใสอยู่นะแต่กบน่ <c oughs> บนบ่นวันนี้ปีนี้มาเยอะสามวันมาทำไมเยอะๆบ่นเสร็จควักไปเลยยี่สิบบาทแต่อธิษฐานเท่ากับคนที่ให้พันบาทเท <c oughs> ่ากันเลยเวลาอธิษฐานเนี่ย พอทุกอย่างที่เป็นของดีในโลกแต่เวลาใส่ยี่สิบบาทก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าคนไม่ทําอะไรเลยนะฉะนั้นชีวิตพวกเราเนี่ยโดยตัวชีวิตมีคุณค่าไม่มากนะักเกิดแก่เจ็บตายแต่แล้วทําไมชีวิตของใครคนใดก็หนึ่งจึงต่างไปก็เพราะว่าชีวิตของคนเหล่านั้นเป็นชีวิตแห่งการให้ฉะนั้นปีใหม่จะมาถึงให้พวกเราคิดที่ว่าเราจะให้อะไร ทำวมาให้มันไม่ได้ไหมายความว่ามันต้องใช้เงินใช้ทองสร้างมภัยนะไม่จะแบ่งเช่นสิทธ์เก่าทั้งหลายก็ให้แบบอย่างที่ดีแก่รุ่นหลังเนี่ยหลายท่านหลายคนเนี่ยเป็นสิทธ์เก่าที่นี่กลับออกไปก็ไปทำประโยชน์มประสบความสำเร็จหรือไม่รู้จะให้อะไรเลยนะให้เรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจเช่นตอนที่เรายังทำอะไรดีๆได้อยู่เราฝากเรื่องราวดีๆไว้เป็นแรงบันดาลใจได้ไห มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเงินเป็นทองหรอกเรื่องเราที่เป็นแรงบันดาลใจก็ไม่จําเป็นต้องเรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรหรอกเช่นมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ทุกคนกลับไปหมดแล้วป้าเลิกงานเป็นคนสุดท้ายเดินลงไปได้ยินเสียงน้ําไหลป้าตัดสินใจพุ่งตัวเข้าไปปิดก๊อกโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะปิดน้ําให้บริษัทประหยัดเงินไปเท่าไหร่เจ๊ ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นใช่ไหมถ้าเปิดทิ้งทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะไฟอีกใช่ไหมผู้บริหารเกา่าโคจาวดอมเคยเล่าว่ามีปีไหนปีสี่ศูนใช่มไหมที่เจอวิกฤตที่เราใช้นโยบายรัดเข็มขัดอ่ะปิดน้ําปิดไฟประหยัดได้ปีละเท่าไหร่ได้หลายหลายล้านนะห้าหกล้านต่อปีใช่นะมเนี่ยฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะปิดน้ําปิดไฟมนะันเป็นวีร ก, กรรมนะพวกเราที่ที่เป็นพนักงานตัวเล็กอาจจะคิดว่าไม่เห็นสําคัญ ทำไมก่อนหน้ามาก็ไม่คิดว่าสำคัญหรอกไฟดวงหนึ่งน้ำก๊กหนึ่งที่เปิดทิ้งไว้เพราะวันหนึ่งพระอาจารย์ไปเป็นเจ้าอาวาสไปเทศกลับมาตอนห้าทุ่มไฟโหเปิดสปอร์ตไลท์กลางสนามทิ้งไว้ตัวกินไฟเลยใช่ไหมพอถึงสิ้นเดือนเจอค่าไฟสองหมื่นจะดุ้งแห่ลกเสร็จปีนขึ้นไปปลดลงมาเลยแม้ต้องตั้งเจ้าหนะ้าที่มาปิดหรปลดมันเลย มีต้องใช้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าแขกกลับหมดนะที่ราชชนตะวันพระอาจารย์นะหนึ่งทุ่มนะ่ะป็ดลุกดวงเหลือเฉพาะห้องทํางานเ้องนั้นเป็ดลุกหมดโยมไปปฏิบัติธรรมมักจะถามเสมอว่าพระอาจารย์ที่นี่มันไฟไม่ถึงหรือยังไงไม่ใช่หรอกอะไรที่ประหยัดได้เราต้องทําและอยากให้อยู่กับความเงียบอยากให้อยู่กับความมืด จะได้ไปเห็นโลกอีกแบบหนึ่งคือโลกที่เราสิเวลาเราอยู่แทบอย่างเงี้ยไฟไฟทั้งบ้านทั้งเมืองหละมีโยมคู่แม่ลูกคู่หนึ่งไปปฏิบัติธรรมที่สำนักอาตมานะพอทั้งสมาธิเสร็จสองทุ่ปล่อยออกมายืนมองดาวกันสองคนแม่ลูกลูกบอกว่าแม่ทำไมดาวที่นี่มันลูกโตมากเลยอยากปิดใส่กระเป๋านัน <c oughs> เหมือนจะเอื้อมมือไปปิดได้เลยอะอาตมาเดินมาข้างหลังก็เลยบอกว่าลูก ดาวที่เห็นบนหัวโลกกับดาวที่กรุงเทพดวงเดียวกันเด็กก็ก็เลยทำอะ่ะแต่ทําไมหนูไม่เห็นที่กรุงเทพอะ่ะ <c oughs> ก็ไปบอกพู้ว่าให้รีไฟสักคืนหน่อ <c> ย <oughs> ใช่ไหมไฟมันืยอะ่เราจรึงไม่เห็นความงามของธรรมชาติ่ะฉะนั้นการเป็นคนดีไม่ยากเลยไม่รู้จะให้อะไรนะ่ะเราให้แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังก็ได้แบบอย่างนี้สําคัญมากนะ บางครั้งบางเหตเรารณรงณ์หลายสิ่งหลายอย่างอย่างเมืองไทยนี่ล้มเหลวมาตลอกการรณรงณ์เรารณรงณ์ไม่กระทั้งเรื่องทิ้งขยะใช่ไหมทุกวันนี้เรายังรณรมณ์เรื่องเข้าคิวใช่ไหมตอนนี้เลยสิ่งที่รณรงณ์เลยรวมกันเป็นสิบสองข้อคั้นนิยมสิบสองหลายเรื่องในคั้นิยมสิบสองบ้านอื่นเมืออื่นเลิกรณรงค์หมดแล้วก็ทําเป็นหมดแล้วแต่บ้านเรายังต้องมาทํากันอยู่เพราะเราเนี่ย หาแบบอย่างดีๆได้ยากในบ้านอื่นเมืองอื่นนี่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีนะเขาทำให้ดีอย่างเกาหลีใต้เนี่ยทำไมเป็นประเทศมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจตอนนี้ญี่ปุ่นยังเกรงเลยตอนนะี้ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ไปไหนไม่ได้ละเจอซัมซุงเข้าไปนี่ s o ซ y ีจ็กอัพเลยนะใช่ไหม Apple ยังเดือดร้อนเลยเจอซัมซุงของเกาหลีใต้เข้าไปยงเจออะไรนักร้องไสอีกคนหนึ่งนะ เพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเป็นพันล้านวิวอะไรก็ไม่รู้ประเทศเนี้ยสร้างตัวหลังเมืองไทยสร้างตัวหลังเมืองไทยนะอายุ ป, ประชาธิปไตยแค่สี่สิบปีมั้งไทยแปดสิบปีแล้วแต่ของเขาทําไมมัน่นคงจนคนของเขามีคุณภาพพอที่จะไปเป็นเลขาธิการยูเอ็ได้ทําได้ไงเพราะผู้ใหญ่เขาได้สร้างแบบอย่างที่ดี เช่นกฎหมายเขาเข้มงวดมีประธานาธิบดีอดีตนะสองคนเข้าคุกเพราะเขาหาคอร์รัปชันอีกคนหนึ่งเมื่อสามปีก่อนโดดหน้าผาตายอดีตประธานาธิบดีนะไม่ได้กงเองแต่คนใกล้ชิดพัวพันท่านเขียนจดหมายลาตายบอกว่าขอแสดงความรับผิดชอบเพราะผมรู้สึกละอายแก่ใจที่ทําให้ประชาชนผิดหวงัง ไม่ได้ทำเองนะแต่คนใกล้ชิดทำท่านเขียนจดหมายลาตายเสร็จท่านไปกระโดดหน้าผาตายเลยรับผิดชอบด้วยชีวิตเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนในปกครองของท่านนี่คือเรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจกับคนรุ่นหลังมากเป็นถึงอดีตประธานาธิบดีอะยมกระโดดหน้าผาตายเพราะรู้สึกละอายแก่ใจอย่างบ้านเราในคนละอายแก่ใจยังเหลืออยู่ไหมทุกวันนี้ ยังหาได้อยู่ไหมคนละอายแก่ใจอ่ะมันยากจริงๆนะมันมีแต่มือยาวสาวได้สาวเอาอ่ะบ้านเราถ้าจะหาผู้บริหารบ้านเมืองละอายแก่ใจไปโดดหน้าผาตายต้องทำหน้าผาเทียมเพิ่มหน้าผาธรรมชาติไม่พอให้โดดไม่พอหรอกหรือไม่งั้นพอทําถ้าจะโดดก็มีคนไประเบิดหน้าผาทิ้งหมดนี่นี่คือบ้านเมืองที่ขาดแรงบันดาลใจ เพราะการแรงมาดันใจเนี่ยคนรุ่นหลังจะเอาต้นแบบมาจากไหนนี่คือเหตุผลหนึ่งที่บ้านเมืองของเราล้มเหลวที่ประเทศเนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมมันจะมีสวนสนุกอยู่แห่งหนึ่งนะเป็นเมืองจำลองของเขาตรงหน้าเมืองจำลองนะั้นจะมีรูปเด็กคนหนึ่งเอามือไปจิ้มผนังผนังนั้นเป็นผนังเคนลนะเขาทำจำลองขึ้นมาเป็นรูปเด็ก แล้วก็มีรูปสันเขื่อนนะเฉียงเียงมีรูปเด็กคนหนึ่งปีนอยู่ตรงสันเขื่อนแล้วเอามือจิ้มใครไปใครมาตรงเมืองจําลองนี้ก็ต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นอาดมาก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเด็กคนนี้สําคัญยังไงครับก็เล่าให้ฟังว่านี่ในอดีตเมื่อนานมากแล้วเมื่อแรกสร้างบ้านแปลงเมืองเนเธอท์แลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วแผ่นดินที่ต่ำกว่านะ้ำเขากั้นแผ่นดินแล้วสร้างบ้า น, ส ร, าานสร้างเมืองนะ กั้นแผ่นดินกั้นทะเลไม่ให้ไหลเข้าบ้านเข้าเมาืองจึงชื่อวันเดเธอร์แลนด์หรเนเธอร์แลนด์แผ่นดินที่ต่ำกว่าน้ําเมื่อสร้างเขื่อนสร้างรเรือเร็วอยู่กันมาอย่างมีความสุขมีอยู่วันหนึ่งเจ้าหนูคนหนึ่งปั่นจักรยานไปทําธุระกลับมาตอนพบค่ําได้ยินเสียงน้ําไหลออกจากเขื่อนผิดปกติเป็นขึ้นไปดูปรากฏว่าเจอรูรั่วตรงสารเขื่อนเด็กชายคนนี้คิดว่า จะปั่นจักรยานเข้าเมืองไปเรียกคนไหมปั่นเข้าไปก็ไม่ทันทำไงก็คิดตามเด็กอะ่ะคิดตามภาษาเด็กเามือไปจิ้มเลยจิ้มไหมไม่เห็นน้ำรั่วอยู่อย่างนั้นทั้งคืนน่ะจนคนมาเจอในรุ่งเชา้าเรื่องนี้กลายเป็นวีรกรรมที่น่าสนใจมากเล่าลือไปทางบ้านทั้งเมืองว่า น, นี่คือจิตอาสานี่คือหัวใจพระโพธิสัต เรื่องราวของเด็กคนนี้ซึ่งเสียสละเอามือจิ้มไว้ก้นน้ําทั้งคืนให้คนทั้งเมืองนะโยมเขาคิดตามภาษาเด็กเด็กไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนนะร่วงการผ่านไปเด็กคนนี้ก็ไม่เหลือชีวิตแล้วแต่เขาสร้างอนุสาวรีย์ให้แล้วก็บอกว่านี่คนในเทลแลนแท้ต้องเป็นอย่างนี้คิดถึงคนอื่นก่อนคิดแทนตัวเอง มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าคนรุ่นก่อนหนะ้าเหมือนสิทธ์เก่าของเราทั้งหลายได้ทำรอยทางที่สร้างรอยแห่งความดีเอาไว้พวกเรารุ่นหลังรุ่นปัจจุบันมาเรียนรู้เราต้องเรียนดูเออรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราสามสิบสี่สิปีเขาทำอะไรอันไหนดีๆเจริญรอยตามอันไหนที่รุ่นก่อนหนะ้ายังไม่ได้สร้างเรามาสร้างในรุ่นของเรา เนี่ยในเนเธอร์แลนด์ประเทศซึ่งอายุไม่นานหรอกทุกวันนี้กลายเป็นประเทศที่ใครๆก็ต้องไปไปดูดอกทิวลิปไปดูการจาัด ก, การน้าที่ดีที่สุดของโลกเราจมาไปเกือบทุกปีได้รับเป็นนิมนต์ประเทศไปสอนกับทุกปีมีลูกศิษย์ฝรั่งของพระอาจารย์เยอะแยะเดี๋ยวนี้นำธรรมะสวดมนต์ได้หมดเลยเป็นฝรั่งสอนสมาธิภาวนาก็ได้เห็นไหมเนี่ยบ้านเมืองที่เจริญนะเพราะ เพราะว่าเขามีต้นแบบที่ดีฉะนั้นถ้าโยมทั้งหลายไม่รู้จะให้อะไรในปีใหม่นี้ทำชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตต้นแบบแก่คนอื่นไม่ต้องมองไกลเอาในบ้านเรานี่แหละคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นต้นแบบที่ดีมีเด็กคนหนึ่งเป็นนักเรียนขาเหวเลยไปหาธรรมาอ่านประวัติของ คนดังหลายคนอ่านประวัติของบิลเกตอ่อานประวัติของมัก์คซก็เบิกแล้วไปหาธรรมาพระอาจารย์ผมอยากเปลี่ยนแปลงโลกะอยากเปลี่ยนแปลงโลกมากเลยพระอาจารย์บอกว่าโลกดีที่คิดอย่างเงี้ยดีแต่ว่าก่อนที่ลูกจะเปลี่ยนแปลงโลกพระอาจารย์มาลูกกินข้าวเสร็จแล้วไปล้างจานก่อนได้ไหมเห็นชัดเจนแล้วมันกินเสร็จแล้ว ม, มาไปวังไว้หลังกุฏินะ มันไม่ล้างอะไรย์เลยบอ ก, กไปจัดการกันแล้วไม่ค่อยมาคุยกันเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเนี่ยความรับผิดชอบต่อสังคมมันเริ่มที่ล้างจานเริ่มที่เปลี่ยนแปลงโลกหรือเราตื่นขึ้นมาเดี๋ยอยากจะเปลีป่ยนแปลงโลกอยากจะรับผิดชอบต่อสองังคมตื่นขึ้นมานจัดที่นอนตัวเองก่อนเอาแค่นี้ก่อนง่ายๆ่าย ป, ป, ปาปห่มก่อนอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยฉะนั้นชีวิตนี้จะมีคุณค่าต่อเมื่อเราอะ่ะ เริ่มคิดถึงคนอื่นต่อเมื่อเราเริ่มบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการให้ไม่รู้จะให้อะไรเลยก็ให้แรงบันดาลใจที่ดีนี่คือชีวิตที่มีคุณค่าเราอาจจะเป็นคนเล็กๆเราก็ทําสิ่งที่มีคุณค่าเล็กๆไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโตก็ได้เช่นคุณเป็นแม่คุณสอนลูกให้ดีคุณเป็นพ่อคุณสอนลูกให้ดีคุณเป็นพนักงานคุณทํางานที่ถึงรับผิดชอบให้ดี มันไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกอะไรก็ได้เป็นคนเล็กๆที่มีคุณค่าเหมือนเป็นดอกแย่เล็กๆที่ได้บานเต็มศักยภาพของมันเราไม่จําเป็นต้องเป็นดอก mari. ติวเล็บหรอกเราเป็นดอกแยาข้างทางก็ได้แต่เวลาบานอ่ะให้บานให้สุดศักยภาพของดวงดอกไม้อย่าไปบานกึ่งๆกลางๆแล้วบานกรีดเดียวก็ พ, พอละนะมีกวีเขียนไว้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนเขาให้มาไหล คุณเป็นขุนเขาธรรมดาก็ได้แต่ให้เป็นขุนเขาที่ดีที่สุดในหมู่ขุนเขาที่คุณเป็นคุณไม่จําเป็นต้องเป็นดอกกุหลาบคุณเป็นแค่ดอกบานไม่รู้รวยก็ได้แต่ก็ให้บานให้งามที่สุดในแบบฉ บ, บับของบานไม่รู้รวยคุณไม่จําเป็นต้องเป็นหงษ์ทองก็ได้คุณเป็นแค่นกกระจิบธรรมดานี่แหละแต่เวลาร้อง ขอให้ร้องอย่างเต็มเสียงในแบบของคนนี่มันเป็นกวีที่ไปเราะมากคือให้เราเนี่ยดีงามในแบบของเราสวยงามในแบบของเราใช้ชีวิตในแบบของเราแต่ทำในแบบของเราให้ดีที่สุดอย่าไปทำอะไรครึ่งคร่งกลางกลคนทำอะไรครึ่งคร่งกลาง ๆ, ๆเอาดีไม่ได้คนทำอะไรแค่พอผ่านเอาดีไม่ได้ พวกเราทุกคนเป็นคนทํางานเคยสงเกตไหมทําไมคนบางคนถึงเติบโตทําไมคนบางคนเจริญขึ้นเจริญขึ้นแต่ทําไมคนบางคนอยู่ที่เดิมเจ้านายไม่โปรโมทให้เลยเงินเดือนก็คนอื่นก็เกินหน้าเกินตาเราไปหมดตําแหน่งก็เกินหน้าเกินตาเราไปหมดทั้งทั้งที่เรากลมาทํางานทุกวันไม่เคยขาดอะไรด้วยซ้าทําไมรับยศสนเสริญไม่ตกใส่เราบ้างมันข้ามหัวไปหมดเคยคิดไหมคนที่เขาสําเร็จ ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่หลักในการทำงานว่าทำให้ดีที่สุดณนะจุดที่ทำและเมื่อได้รับมอบหมายให้ดารงตาแหน่งอะไรก็ตามเขาถือคติเป็นให้ดีที่สุดณนะจุดที่เป็นนี่คือหลักการทำงานเมื่อกี้เป็นหลักการใช้ชีวิตนะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ฝากอะไรดีๆให้คนอื่นนั่นคือก้อที่หนึ่งก้อที่สองหลักของการทำงานคือเมื่อทางานอย่าทาแค่พอผ่าน อาดามาเคยพูดเสมอว่าเวลาทำงานผลของงานจะย้อนกลับมาสร้างคนและคนทำงานก็มีสองประเภทหนึ่งทำสักแต่ว่าทำสองทำให้ดีที่สุดทำสักแต่ว่าทำคือพวกทำพอผ่านถ้าเป็นการตัดเกรดพวกนี้จะได้เกรดเอสเกรดผ่านธรรมดาธรรมดาในเวลาที่เราเรียนปริญโทมันจะมีเกรด A, B, บ D ซดีเกรดบางตัวซึ่งไม่มีหนวกิตคือเอสธรรมดาคือประเมินผ่านผ่านไ ป, ปนอย่างนั้นน่ะ ก็เหมือนแกะเดินรวมกันเป็น AH ฝ so ูงย <fashion> ี่สิบตัวมันเดินด้วยกันไปหมดนะเคยเห็นแกะเดินไหมถ้าไม่เคยเห็นนะอยู่แถกต้องปิดหนึ่งวันพาไปดูแกะส่วนพึ่งมีเยอะอะไรฟาร์มแกะไปล้แกะมันเดินนะใช่หมาตัวเดียวแกะร้อยตัวก็ใช้หมาตัวเดียวล้อมหน้าล้อมหลังห้องห้องแกะไปกันเป็นฝูงเลยกลัวอะไรไม่รู้คนส่วนใหญนะทําตัวเหมือนแกะคือยังไง ทำอะไรรวมๆกันไปหมดไม่มีความคิดตั้งสันเป็นของตัวเองทํางานก็ทํางานพอผ่านเถอะนะเราไม่ไม่ไม่กล้าทําดีๆเดี๋ยวกลัวคนอื่นว่าทําเด่นก็ไม่ไม่กลา้าแล้วคนไทยนี่ชอบกดกันนะบอกว่าจงทาดีแต่อย่าเด่นนะคนรุ่นใหม่เลยไม่อยากทําอะไรเด่นเลยอแค่พอผ่านหมดไม่รู้ใครสอนนั่นเนี่ยเคยจําบท ก, กวีได้เขาเขียนว่าอันที่จริงคนเข่าใครให้เราดี แต่พอเด่นขึ้นทุกทีเขาหมันใส่จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นไผ่ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินตกลงมันจะส่งเสริมหรืออะไรเหรอเนี่ช่วยกันฟังหน่อยสิบทนี้หรือเปล่ามันทำให้คนใกล้ๆกลัวๆคนไทยเนี่ยยังว่มีส่วนไหมอ่ามาฟังใหม่นะว่าตกลงบทนี้มันจะส่งเสริมหรือมันจะดักคอกันนะ อันที่จริงคนเขาใคร่ให้เราดีแต่พอเด่นขึ้นทุกทีเขามันไสจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยมันเริ่มขัดตรงนี้นะจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินดียังไงดีไม่ให้เด่นนะหรือว่าทำดีเสร็จแล้วก็หายตัวไปเลยไม่ต้องรู้ว่าใครทำนะ มันขัดแย้งกันอยู่ตรงเนี้ยอาตมาชี้ว่านี่มีส่วนมากตวีบทนี้คือฐานคิดของคนไทยนะคนไทยทําอะไรไม่สุดหรอกใช่ไหมทําอะไรก็กล้ากลัวยึดยักษยักษ์ยักษ์เกินยักเต้นติดเกือบยักเลิกติดกัดเจ้าหน้าจะส่งเสริมก็ไม่เอาพี่หนูหนูไม่เอาหนูแค่นี้พอละนะนะหลายคนเป็นอย่างนี้นะพอจะส่งเสริมขึ้นข้างบนน่ะกลัว นี่คือเหตุผลหนึ่งซึ่งทําให้เราไม่มีความเฉริมเกล้าเพราะเรากัดตัวเองโลกทัศน์แบบกักตัวเองเนี่ยทําให้ศักยภาพไม่ได้รับการปลดปล่อยในต่างประเทศนั้นถ้าใครเก่งเขาดันทันทีและถือว่าคนมีความคิดสร้างสาราลนั้นเป็นคนที่น่าส่งเสริมบ้านเราบางทีเนี่ยวัฒนธรรมไทยของเราในบางทีเนี่ยคนคิด ส, สร้างศาลมองว่าก้าวร้าวใช่ไหมคิดใหม่หาว่าแปลกแยก ดังนั้นจึงไม่ไม่มีใครอยากเป็นแกะดําทุกคนอยากเป็นแกะในฝูงเดินรวมกันไปไหลกันไปเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดอืมครั้งหนึ่งอาตมาภาพเคยไปงานพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ท่านทําบุญมนเกิดท่านเป็นครูบาอาตมาก็ได้รับนิมนต์ไปโอ้โหคนเข้าแถวกันนะเป็นหมื่นคนอาตมาไปหลังสวดจะไปเทศละแต่อาตมาก็ไม่ใช่อภิเศตรอก่อะเขาไหลกันไปแล้วก็ไหลไปสิ แล้วก็เดินตามหายเข้าไปไหลไปไหลไปไหลไปเราคิดว่าที่ไหลไหลไปเนี่ยจะไปเจอมหาวิหารที่หลวงปู่ท่านอยู่เพราะไหลไปสุดทางเอานั่นมันทักไปห้องน้ำนี่มันเข้าห้องน้ําทีแล้วหมื่นคนเลยอก็ทําเชื่อกแล้เป็นลายเนี้ยอะไรเนี่ยอัปมาเทศพปรากฏว่าจุดที่จะเทศอยู่ที่นึงไอ้ที่ไหลกันออกกันไปเนี่ยคลองน้ำ สะเพือนใจจนทุกวันนี้ตั้งแต่นั้นมาฉันไม่ไหลาตามใครมีปากฉันจะถามถามเลยลองดูรักเดียวว่าลองไปใช้อภิสิทธิ์ดูสิเขาไปไหนแล้วไปกันนั้นมันออกันไปโอ้แบบชนกันเลยนะเราคิดตรงนั้นแน่ๆละคนสำคัญอยู่เห็นไหมนี่คนไทยนะล้วไม่ได้มีอาตมาคนเดียวนี้ที่ไหลกันไปครึ่งหนึ่งคือเข้าใจผิด ไป อ, ออยู่หน้าห้องน้ำนี่แหละเพราะ <c oughs> ฉะนั้นบางครั้งเน่เวลาเราทำงานเราต้องเปลี่ยนใหม่นะท่าทีในการทำงา น, นจับทำอะไรก็ตามได้รับเมื่อหมายให้ทำอะไรก็ตามให้ถือกติทำให้ดีที่สุดณจุดที่ทำแต่รับเมื่อหมายให้สวมหัวโขวนอะไรก็ตามให้ถือกติเป็นให้ดีที่สุดณจุดที่เป็นถ้าอย่างนี้สำเร็จทุกคนนะย้อนกลับไปมองตัวเองซิว่าเราทำอย่างนั้นหรอือเปล่า หรือทำสักว่าพอผ่านๆถึงเวลาแล้วเข้ามาทำงานวันนี้ท่านายอยู่คึกคักทำให้นายเห็นพอนายออกไปประชุมหรือความขยันลดลงหงัวดึงโทรศัพท์ออกมาดูไลายเป็นหลักนะเงินเดือนก็ไม่ได้มันดูเลยนักหนาะสไลด์ทั้งวันใช่ <c oughs> ไหมฉะนั้นจับทำอะไรก็ตามนะไม่ว่าคนจะเห็นไม่เห็นทำให้เต็มที่แล้วทำให้เด็ดที่สุดคนที่เขาสาเร็จทุกคนเขาไม่ทําอะไรพอผ่าน เขาทำให้ดีที่สุดนะให้คิดอย่างนี้อ่ะต่อไปเราได้มาสองหลักละหนึ่งหลักการใช้ชีวิตนะจงใช้ชีวิตในฐานะเป็นบุคคลแห่งการให้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าจงบาเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการให้แล้วชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่คุ้มค่าพอแก่การโอ่ยอ้างถึงหลักที่สองหลักการทำงานเราได้จับทำอะไรก็ตามให้ถือกติทาให้ดีที่สุดณนะจุดที่ทา เป็นให้เดชที่สุดณจุดที่เป็นทีนี้มันถึงหลักที่สามเนื่องจากเราอยู่ใกล้บรรยากาศของวันพ่อฉะนั้นวันพ่อจะมาถึงเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องพ่อให้พวกเราฟังนะเอาพ่อคือพระพุทธเจ้ากันในบรรยากาศวันพ่ออย่างนี้เนี่ยอยากจะเล่าเรื่องพ่อให้พวกเราฟังเราจะเริ่มกันที่พ่อทางจิตบิญดาณเรานับถือใครเป็นพระบรมศาสดาของเรา พระบรมศาสดาพระองค์นั้นคือพ่อของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระเยะซูหรือพระมหมะัตใครเป็นศาสดาที่เราเคารพนับถือบูชาพระองค์นั้นคนนั้นเป็นพ่อทางจิตวิญญาณของเราพ่อทางจิตวิญญาณหมายความว่าพ่อที่เราเคารพนับถือแล้วก่อให้เกิดความอบอุ่น มั่นคงรู้สึกปลอดภัยในทางจิตใจอย่างพระพุทธองค์นั้นพระองค์ทร ง, งเป็นพ่อทางจิตวิญญาณของชาวพุทธพระองค์มีหลักในการทำงานอยู่อย่างหนึ่งว่าพระองค์จะทำงานเหมือนราชสีทั้งหนึ่งพระองค์ได้ตรัสเล่าว่าเวลาที่ราชสีหรือสีห์จับเหยื่อ ไม่ว่าจะเป็นจับหนูจับกวางจับวัวมากินเป็นอาหารราชสี์จะใช้พละกกำลังทั้งหมดร้อยเปอร์เซนพอจับหนูปั๊บ ก, ก็ใช้ศักยภาพของราชสีย์ร้อยเปอร์เซนล้มกวางหนึ่งตัวก็ใช้พละกกำลังร้อยเปอร์เซน์ล้มวัวหนึ่งตัวก็ร0อยเปอร์ซ จับนกสักตัวหนึ่งกอดร้อยเปอร์เซนแล้วพระองค์ก็สรุปว่าราชสีห์เนี่ยทำงานด้วยศักยภาพทั้งหมดเท่าที่เมชันได้เราตหาคตก่อทำงานฉันนั้นนั่นคือไม่ว่าจะสอนคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาพระหมหากษัตริย์จะถึงในพรานดักจับนกและโสเภณีเราตหาคตใช้ศักยภาพเท่ากันไม่มีออมเอนะ คำว่าใช้ศักยภาพเท่ากันก็หมายความว่าตั้งใจจริงๆเวลาสอนพระราชาก็สอนจริงๆสอนหญิงโสเพณีก็สอนจริงๆหวังผลคือบรรลุทำหมดนะไม่เกี่ยวว่าพระราชานี่ยศสูงต้องตั้งใจทุ่มเทนะพอสอนโสเพณีก็สอนนิดๆหน่อยๆไม่ต้องพูดมากอมมือไม่ใช่นะพระพุทธองค์ไปเจอชาวนาเนี่ยพระพองค์ก็สอนชาวนาระดับหวังผล ทั้งหนึ่งมีโสเภณีคนหนึ่งมา น, นิ่งมนพระองค์ท่านพรงค์ท่านรับกลิ่นในมนเพอหญิงโสเภณีคนนั้นกลับไปมีคณะของพระราชาคณะหนึ่งยกกันมาทั้งวังเลยมานิ่งมนพระองค์ท่านไปเสวยในวังพระพุทธเจ้าไม่ปาปพระราชาก็ต่อรองกับพระองค์ขอพระองค์ไปเสวยในวังพระพุทธเจ้าบอกไม่เราเพิ่งรับปากกับโสเภณีคนหนึ่งว่าจะไปฉันที่บ้านของเธอ รับปากแล้วเราก็ต้องไปพระราชาก็ต่อรองอยู่ครึ่งวันพระพุทธเจ้าไม่ไปสุดท้ายต่อรองกับพระพุทธองค์ไม่ได้ไปหาหญิงโสเภณีแล้วเสนอทรัพย์สินเงินทองให้เริ่มตั้งแต่หนึ่งกะหัปปะนะคืนหนึ่งเหรียญกษากเพิ่มขึ้นจนเป็นพันเหรียญทองแสนเหรียญทองสุดท้ายยกราชบัลลังก์ให้โสเภณีเอาไปเถอะน้องสาว เธอเป็นพระราชาไปเลยหนึ่งวันและเอาคิวพระพุทธเจ้ามาอย่ามคิดดูสิยิ่งโสเภณีก็บอกว่าฝ่าพระบาทได้ฝ่าละองทุลีพระบาทปกกระโปกกระหมอ่มอมฉันรอมาทั้งชีวิตที่จะได้เป็นสภาพถวายพระทหารพระพุทธองค์สมม้อเนี่ยมอมฉันเป็นคนต่ำต้อยด้อยค่า ไปทูลเชิญทูลอาราธนาพระองค์ยังทรงรับก็เมื่อพระองค์ทรงรับแล้วหม่อมฉันจะปล่อยคิวของพระพุทธเจ้าได้อย่างไง<ไ>เรื่องคิวไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไปถามยูแทกเลยนี่มนอารมมาปีหนึ่งมาได้ครั้งเดียวเท่านั้นเลยขนาดเราเป็นพระเด็กๆนะคุณโยมนะไม่เด้สนะนะลักสำคัญอะไรเลยไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าหรอกศา ส, สาเอกของโลก ถ้าล็อกคิวได้แล้วธรรมาก็ไม่ปล่อยเหมือนกัน <c oughs> โยปิเนนี่ไม่ยอมเลยนะพระราชาถึงขนาดบอกว่าเธอเอาวังไปเนะืเธอเอาราชสมบัติไปและฉันให้เธอเป็นพระราชาแทนฉันเธอยอมไม่โยปณีนบอกจ้างให้ก็ไม่ยอมโอกาสในการได้ถวายเพลงถวายพระทหารพระพุทธเจ้านั้นเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในที่สุดโสปณีก็ไม่ยอมและพระพุทธองค์ก็ไม่ยอมไปในวังด้วย เมื่อถึงเวลาจริงพระองค์ก็ไปเสวยที่บ้านของโสเภณีเห็นไหมโสเภณีซึ่งใครมาว่า ต, าต่ําต้อยดยค่ะพระพุทธองค์ก็ส่งให้เกี่ยวทรงเคารพเธอในฐานะที่เธอก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานั่นแหละคนทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นหนึ่งเราจะแตกต่างกันโดยเรื่องชนชั้นวันนะั้นสีผิวภาษาวัฒนธรรมสถานภาพทางสังคมแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดเมื่อเราถอนสมมุติออก เราจะเห็นว่าคนที่อยู่ข้างหน้าของเรานั้นคือมนุษย์เหมือนกันกับเราฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเสมอภาคกันตรงที่ต่างก็เป็นมนุษย์เหมือ น, น, นกันกับเราพระพุทธองค์จึงทรงเคารพในศักดิ์ศรีแหความเป็นมนุษย์เมื่อรับขีนในมณฑลของโสเภณีแล้วต่อให้มีพระราชามหากษัตริย์มาขอคิวพระองค์ก็ไม่หักนี่คือประจักษ์พยานว่าการทํางานแบบพระพุทธเจ้านั้นเต็มร้อยสมอพ่อทงางจิตวิญญาณของเราทํางานแบบนี้ แล้วพวกเราทำงานแบบนี้ไหมหลายคนมีแนวโน้มจะทำงานเพราะเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งเช่นถ้างานนี้จ่ายงามเต็มร้อยงานนี้จ่ายครึ่งครึ่งกลางๆลดความสามารถลงมาอาตมาเจอซูปเปอร์สตาร์หลายคนในประเทศไทยมีซูปเปอร์สตาร์ก็หนึง่งมาฟังเทศอาตมา พอฟังอาธรรมภาพเทศวิธี ang, Hitler, ทํางานแบบพระพุทธเจ้าจบเขาคลานเข้ามากราบบอกโอ้พระอาจารย์ผมต้องไปปฏิรูปการทํางานใหม่หมดเลยทําไมเลยลูกก็เพราะผมไม่ได้ทํางานแบบพระพุทธเจ้าน่ะสิของผมนะถ้าเงินงามๆนะผมไปโชว์ตัวได้ผมร้องเพลงเต็มที่เลยแต่ถ้างานการกุศลผมร้องเฉพาะท่อนหกก็ลงละเห็นไหมเนี่ยคนสนใจเป็นอย่างนี้นะ แรงบัน ด, ดาลใจนในการทํางานน่ะมันไม่ได้มาจากความรักมาจากผลประโยชน์และดังนั้นต่อให้มีศักยภาพเต็มที่เขาก็ไม่ปล่อยศักยภาพนั้นออกมาให้สุดๆและแน่นอนเมื่อไม่ปล่อยศักยภาพสุดๆคุณก็ไม่ได้งานชั้นยอดตอนแรกเราสร้างงานแต่หลังจากนั้นถ้ามันดีพองานจะกลับมาสร้างคนดังนั้นเวลาทํางานใครทํางานดีที่สุดเหมือนพระพุทธเจ้า ทุกครั้งที่คุณทำงานนะคุณกำลังสร้างโอกาสให้ตัวเองได้งานเพิ่มแต่ถ้าคุณทำสักแต่ว่าพอผ่านงานนั้นก็ไม่ได้กลับมาสร้างคนหรอกตรงกันข้าม ง, งานนั้นทำลายโอกาสด้วยซ้าไปใช่ไหมเพราะคนเขาเห็นแล้วว่าแค่นี้เองหรือนี่ฉะนั้นจับทำอะไรก็ตามต้องทำแบบพระพุทธเจ้าทำงานเหมือนพระพุทธเจ้าคือเมื่อจับทาอะไรก็ตามเติมความตั้งใจลงไปให้เต็มรอยเอร์ ทุกงานที่ทําให้ถือว่างานนี้จะเป็นดังหนึ่งอนุสาวรีย์แห่งชีวิตถ้าคิดอย่างนี้ได้นะทุกงานงานเล็กงานใหญ่จะกลายเป็นงานชั้นหนึ่งจะกลายเป็นนริมิตรกรรมชิ้นหนึ่งแต่เมื่อเราตั้งใจสร้างงานวันหนึ่งงานนั้นจะย้อนกลับมาสร้างเราอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่ชัดเจนมากมิกกลันเจโร่เนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรมากทั้งชีวิตนอกจากวาดรูปแล้วก็มีแกะสลักเห็น แกสลักเห็นรูปปั้นเดวิดเอาไว้ปฏติมากรรมปรติมากรรมเดวิดรูปนี้เป็นรูปดีเรื่องชื่อไม่ต้องสลักลายเซนเ็นเต็ด น, นะรู้จักกันทั้งโลกดาวินชีก็ไม่ได้ทําอะไรมากทั้งชีวิตตัว่ารูปว่าผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อโมนาลิซาสวยหยาดฟ้ามาดินจนเจ้าของมาเอาคืนก็ไม่ให้สวยเกินเก็บไว้เอง ทุกวันนี้ประดับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โลฟกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีงานศิละปะไม่ต่ำกว่าสองแสนชิ้นใช่ไหมทุกคนที่ไปลฟอยากไปดูโมนาลิซ่ายิ้มอาตมาไปประเทศฝรั่งเศสเกือบทุกปีทุกปีเมื่อเทศเสร็จอาตมาก็ต้องแวะไปหาโมนาลิซ่าเหมือนเราเมยนัทกัน <laughs> ไม่มีไปทั้งไหนที่เธอจะว่างนะ เธอไม่เคยว่างคุยกับาต่มาตัวตัวเลยเชื่อไหมรูปเล็กนิดเดียวหรือนะรูปเล็กมากเป็นโปสเตอร์นะ่ะขนาดของรูปก็คือเหมือนโปสเตอร์ขนาดกลางนะ่ะรูปหนึ่งนะ่ะติดอยู่ที่ผนังใจกลางพิพิธภัณฑ์โลแล้วก็มีกระจกกันกระสุนกันไว้ทุกครั้งที่แต่มาพากไถ่ไปแต่มาพากต้องไปมองท้ายถอยคนอื่นก่อน นับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่ออะไรรอต่อชิวแต่ทุกคนที่เข้าไปนะไปถึงปั๊บบางคนยังไม่ทันดูรูปเลยนะยังไม่ทันดูเลยว่าทำไมรูปนี้ถึงมีรอยยิ้ที่น่าพิศวงดึงดูดขนาด น, นี้พอไปถึงแถวหน้านะปั๊บทุกคนจะหันกลับมาถ่ายรูปก่อนเพราะอะไรไม่งั้นไม่ทันเนื่องจากคนที่มารออยู่ข้างหลังจะผลักจะผลัก พอคุณหลุดโอกาสจากการไปยืนตรงหน้านะคุณพลาดไปก้าวเดียวคนอื่นแทนทันทีเพราะคนมันเป็นหมืน่มนๆนะอาตมาภาพจําได้ดีไปปีรแรกๆบันไดหินอ่อนยังเรียบร้อยดีไปปีที่แล้วบันไดหินอ่อนยุบหินอ่อนยังสึกเพราะคนเดือดเพราะคนเข้าที่นั่นโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละห้าล้านคนพวกเราอยากไปเห็นไหมบอกท่านประธานยูแท็กนะ จัดไปสักทริปหนึ่งอาจารย์จะนำให้ไปดูว่างานชิ้นเอกซึ่งตั้งใจสร้างสรรค์จริงๆเพียงชิ้นเดียวมันสามารถกลายเป็นแบรนด์เนมคือเป็นตราสัญลักษณ์ให้กับคนสร้างงานได้ทุกวันนี้ประเทศฝรั่งเศสได้รายได้มหาศาลจากคนไปดูโมนาลิซ่ายินเห็นไหม ถ้าเกิดแกอายุยืนมากกว่านั้นนะแกว่ามากกว่านั้นมันจะทำเงินขนาดไหนเนี่ยงานชิ้นเอกไม่ได้เกิดโดยความบังเอิญแต่งานชิ้นเอกต้องเกิดจากความรักและความตั้งใจชนิดวางชีวิตลงเป็นเดิมพันฉะนั้นเราทำงานอะไรก็ตามให้บอกเด็กว่าฉันจะสร้างงานทุกชิ้นดังหนึ่งงานชิ้นนั้นเป็นงานชิ้นเอกใครที่ทำอะไรก็ตามสักแต่ว่าพอผ่าน ยากมากที่จะประสบความสําเร็จนี่คือลักษณะการทํางานของพระพุทธเจ้ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาไปศึกษาวิธีทํางานของคนสําคัญของโลกเช่นศึกษาวิธีทํางานของวงดนตรีเดอะ บ, บิทเทลนะรู้จักไหมเดอะ บ, บิทเทลดีเอ็มแมจินจอร์แดนนอนรู้จักไหม อ, อาจารย์ก็เกิดไม่ทันหรอกแต่วงดนตรีวงนี้เป็นวงดนตรีอัจฉริยะของโลก บินจากเังกฤไปแสดงที่อเมริกาครั้งแรกคนไปรับที่สนามบินหนึ่งแสนคนแฟนเพลงเป็นลมคาสนามบินนับไม่ถ้วนจอนเลนนอนยังไม่ทันทําอะไรเลยเดินออกประตูเครื่องบินมานะ่ะแบกบกีต้าร์ตัวหนึ่งแค่นั้นกรี๊สลบเป็นที่มาของคําว่ากรี๊สลบนะคือสลบจริงๆคนมันเยอะมากนะงานวิจัยชี้นนี้เขาเขียนไม่เลยว่า บุคคลที่ประสบความสำเร็จในระดับตำนานเขาทำงานยังไงเขาศึกษาเดอิโตนะศึกษาบิลเกสศึกษาสตีฟ e อ o ส์แล้วก็สรุปว่าคนที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องหุ่มเทเี่ยวกรมทำงานหนักในระดับหมื่นชั่วโมงขึ้นหมื่นชั่วโมงนะเขาเรียกว่าทฤษฎีหมื่นชั่วโมง ฤษฎีนี้บอกว่าใครก็ตามอยากประสบความสําเร็จในระดับตํานานอยากประสบความสําเร็จในระดับให้โลกเล่าขานหรือพูดถึงคุณต้องซ้อมซ้อมซ้อมไม่น้อยกว่าหมื่นชั่วโมงพวกเราทํางานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงเต็มที่แปดชั่วโมงวันละแปดชั่วโมงแล้วก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ถ้าทาไปเรื่อยๆหลายปีนี่ก็หมื่นชั่วโมงได้นะใช่ไหมฉะนั้นเราต้องถามตัวเราเองว่าเราอยากประสบความสำเร็จระดับไหนอยากประสบความสำเร็จแค่พอผ่านพออยู่พอกินไหมหรืออยากสำเร็จระดับตำนานอยากสำเร็จระดับเป็นผู้บริหารชนะั้นแนวหน้าถ้าผู้บริหารชนะั้นแนวหน้าในระดับเป็นเจ้าของกิจการอนะ่ะต้องฝึกกันหมื่นชั่วโมงเดบิทเทเนี่ยก่อนจะดังไปเล่นดนตรีฟรีที่เยอรมัน โดยไม่มีเงินข้าจ้างเขามาชวนไปเล่นในเทศกาลดนตรีเป็นวงขั้นเวลาเล่นตั้งแต่หัวค่ำถึงตีห้าก็ไม่เล่นต่อเนื่องกันสี่ห้าปีอย่างนี้ไม่มีใครรู้จักมีคนถามมาพวกคุณเล่นทำไมตัง้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมัธยมชยนอร์แดนน์บอกว่าเล่นด้วยความรักไม่เกี่ยวอะไมันเล่นด้วยความรักแต่และวันหนึ่งพอดังขึ้นมานะ ประสบการณ์ตอนเป็นนักร้องฝึกหัดทั้งหมดกลายเป็นรากฐานที่ดีเยี่ยมเพราะถ้าดังขึ้นมาแล้วไม่มีรากฐานที่ดีนะจะไม่ยั่งยืนฉะนั้นช่วงวันเวลาที่เขายังไม่ดังนั้นนะคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเหมือนตึกหลังหนึ่งนะรากฐานที่สำคัญที่สุดคือเสาเข็มเมื่อสร้างตึกแล้วเราจะไม่เห็นเสาเข็มเหล่านั้นเลยเป็นร้อยรอยเล่มนะเราไม่เห็นหรอกที่เราเห็นคือตัวตึกสูงราฟาอยู่ข้างบน รับแขกบ้านแขกเมืองทั้งโลกใครอยากถ่ายรูปด้วยตึกสูงระฟา้ราระดับโลกแต่รู้ไหมว่าอะไรที่หยัดยืนให้ตึกนั้นพังงานขึ้นไปอยู่ท่ามกลางท้องฟ้านภ า, าการเสาเข็มนับร้อยร้ยเล่มฉะนั้นรากฐานที่สำคัญของความรุ่งโรจน์นะไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างรากฐานของวงดนตรีเดอบิทก็คือการไปเล่นฟรีในเยอรมันกว่าห้าปี ซึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่ได้เงินไม่ได้ทองแต่เขาได้ประสบการณ์อันเข้มข้นหรือเบลเกสเองเนี่ยกว่าจะเป็นอันพีมหาเศรษฐีอันดัหนึ่งของโลกยี่สิบดสมัยซ้อนนะทุกวันนี้ลาออกจาก Microsoft แล้วสถิติก็ยังดีวันดีคืนอยู่นะไม่ลดเพราะเขาเลิกทำงานแล้วให้เงินทำงานแทนพวกเรานี่ทำงานหาเงิน เบลเกนี่ไม่ได้หาเงินแต่หาเงินระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นให้เงินทํางานแล้วใช้เงินนะหัว <c oughs> ปักหัวปั๊มเลยตอนนี้เงนบลเกต <c oughs> ใช้ไม่บัญญัติบัญญังเลยให้เงินทํางานแทนนนั้เงินงกงกงกทำงานแทนบิลเกตส่วนตัวเขาทําอะไรทํางาน <ทำ S 2> เพื่อสังคมคณะถอยออกมาห่างขนาดนี้ก็ยังคงเป็นอภิมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกปีที่แล้วแต่มาภาพโชคดีได้ไป แสดงทางที่อเมริกาแล้วก็ไปแวะดูมูลนิธิ l บลเกสอยู่ครึ่งวันชอบชีวประวัติของเขาก็เลยตามรอเบลเกสไปที่บริษัท Microsoft เสร็จจากบริษัทก็ไปดูที่มูลนิธิเบลเกสจากนั้นก็ไปมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดไปดูตึกที่เขาสร้างไปมหาวิทยาลัยวอชิงตันดูตึกที่เขาสร้างและอุทิศให้แม่ รอยของเขาอยู่ที่ไหนเราตามได้หมดเดีย๋ยวรู้ว่าคนคนนี้สําเร็จได้ยังไงนอกจากศึกษาตามไปดูแล้วเนี่ยก็อ่านงานวิจัยด้วยงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่า บ, บ, บิลเกตผ่านการซ้อมมาหมื่นชัว่วโมงเพราะนะแต่เรียนมัธยมนะที่โรงเรียนของเขานั้นมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเขาก็ได้ลงทะเบียนเรียนวิจัยคอมพิวเตอร์ที่นั่นเรียนตามปกติใน เพื่อโรงเรียนยังไม่พอนะพรากลับมาบ้านเที่ยงคืนพ่อแม่เข้านอนแล้วแอมหนีออกจากบ้านไปเล่นคอมพิวเตอร์กับเพื่อนที่โรงเรียนจนถึงหกมองเช้ากลับมาแต่งตัวที่บ้านกินข้าวกับพ่อกับแม่พ่อแม่ไม่รู้เรื่องทาอยู่อย่างนี้เป็นปีๆพอไปถึงโรงเรียนหลักประจาครูบนประจาว่าเจ้าเด็กเนิร์ดคนนี้นะไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่หลับ ครูไม่รู้ว่าเขาเพิ่งออกจากห้องเรียนเมือม่อหกโมงแล้วกลับไปกินข้าวแล้วก็มาใหม่อีกรอบหนึ่งฝึกฝึกฝึกฝึกจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อจบมัธยมปลายเขาไปเรียนต่อมหาวิทยาลาัยฮวาดแล้วก็ยังรู้สึกว่าเป็นรักคอมพิวเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงในที่สุดตัดสินใจออกมาเปิดบริษัทกับเพื่อนเลยฮอลลอเลนในวันที่เปิดบริษัทนั้นเขาติดต่อนายทุนนายทุนบริษัทยกใหญ่หญิ้วกระเป๋ามาหาเขา เป่อประตูมาเจอบิลเกสนั่งอยู่ในห้องรับแขกนายนทุนยักษ์ใหญ่ถามนอ้องท่านประธานอยู่ไหน <c oughs> เด็กชายบิลเกในสายตาของนักลงทุนนะมองว่าเป็นเด็กชายแต่ก็เป็นหนุ่มเนิร์ดเหมือนมักซะก็เบิกสมแว่นโตๆผมเห้าปล่อยตามธรรมชาติสเสื้อผ้าอาภรณ์ธรรมดาที่สุด ลุกขึ้นยืนแนะนำตัวต่อ น, นักลงทุนซึ่งเขาไปกู้เงินมาท่านครับผมคือประธานของที่นี่ครับเขาต้องถอนแว่นออกมาแล้วมองใกล้ๆคิดเลยว่าจะให้กู้เงินดีหรือไม่ดีเขาคิดว่าท่านประธานต้องอายุมากๆแก่ๆนะทำงานที่อยู่แท็กมาสักสามสปีเข้มข้นไปด้วยประสบการณ์ ลาออกไปตั้งบริษัทแล้วถึงไปขอกู้เงินเปล่าท่านประธานของไมโครซอฟทเป็นเพียงเด็กเนิร์ดหนุ่มมากและเพิ่งลาออกจากมหาวิทยาลัยดิวเกตเราทําให้เขามีปัญหามากปากหน้าไปกู้เงินที่ไหนก็ไม่ค่อยมีใครให้กู้เพราะหน้าเด็กแต่หลังจากที่เขาก็ตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วไม่นานเขาก็ประสบความสําเร็จและนับจากนั้นเป็นต้นมาเขายัางไม่ ปรากฏว่าล้มแลว้วเห็นหรือยังงานวิจัยบอกว่ากว่าที่เบลเกสจะสำเร็จ่านการเขียนโรกรมตัวเองนะด้วยการฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เรียนมัธยมเป็นเวลามากกว่าหมื่นชัว่วโมงนี่คือหลักการทำงานแบบพระพุทธเจ้านะอัตมภาพเอาทฤษฎีหมือนชั่วโมงไปศึกษาชีว่าประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เสด็จหนีออกจากวัง จนกระทั่งการสรู้ใต้ต้นพระสีมหาโพลหกปีเต็มถึงหมื่นชั่วโมงไหมเกินด้วยซ้ํานะตอนนี้ถ้าเจอฝรั่งที่ทําวิจัยเรื่องนี้แต่ไม่พักจะบอกเขาบรรจุชื่อพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าก็เกินหมื่นชั่วโมงถึงได้เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกนี่คือวิธีทํางานแบบพ่อทางจิตวิญญาณคือพระพุทธเจ้าคนที่จะสําเร็จยิ่งใหญ่มันต้องฝึกฝึก ฝึกฝึกไม่มีคำว่าปฏิหารดรอกนะมีแต่การฝรั่งจึงมีสำนวนว่าอะไร practice makes perfect การฝึกฝนทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์หลายคนไม่ทำตามกฎนี้อยากจะเืินก้าวหน้าไปบนบานสารก่าว เปลนชื่อเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทรงผมเขียนคิ้วเขียนตาทำดั่งทำจมูกเปลี่นเครื่องประดับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เปลี่ยนเลขที่บ้านเปลี่ยนไม่กระทั่งสามีเก่าเมียเก่าล้อหมดเพื่อความฝันของทังนั้นบรรลุผลฉันยอมเปลี่ยนทุกอย่างแต่แล้วก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะคุณเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นวิธีคิด ไม่มีทางสําเร็จคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็ไม่อาจเปลี่ยนวิธีทํางานและไม่อาจเปลี่ยนชีวิตได้เอลเบิร์ตแอสไตน์จึงพูดเอาไว้ว่าไม่มีทางที่เราจะสามารถสร้างสารรค์อะไรใหม่ได้ถ้าเรายังใช้ความคิดชุดเดิมกับที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาหมายความว่าคิดแบบไหนแล้วเป็นปัญหานะถ้าเรายังไม่หนีออกจากวิธีคิดแบบเดิมนะมันก็จะยังเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นเขาจึงนิยามคนโง่ไว้ว่าคนโง่หมายความว่าคนที่พยายามทำอะไรเหมือนเดิมและคาดหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆพวกเราเคยทำาหม <laughs> ทำแบบเดิมแล้วคาดหวังว่าสิ่งดีๆจะมีมาในปีใหม่นี้ <laughs> แต่ถามมาแล้วใช้ชีวิตยังไงแบบเดิมพอถึงปีใหม่ไปซื้อแดอรี่มาเล่มหนึ่งเอาแล้วตั้งใจจะเขียนแดอารี่เขียนไปสามวันเลิก ตั้งใจจะตื่นเช้าตื่นได้สองวันเลิกเห็นไหมตั้งใจว่าจะเล่นโยคะจับหนักไป็ห้าวานันป่วยเข้าโรงพยาบาลเลิกไม่ถึงหมื่นชั่วโมงเลิกหมดเนี่ยคนที่สําเร็จกับคนที่ล้มเหลวมันต่างกันตรงนี้เพราะนั้นเราอยากประสบความสําเร็จนะไม่ต้องไปบนบานสารกล่าวไม่ต้องไปหาคนวิเศษแว้สายอะไรมาพอกมาพูนมาเป็นตัวช่วยเราเปลี่ยนวิธีที่เราคิด พอเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเท่านั้นชีวิตทั้งชีวิตมันเปลี่ยนเพราะอะไรจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวไงรูดองจุงตลาดว่าจิตแต่นนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดโลกหมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราจะได้โลกอย่างนั้นนะโลกนั้นที่นี่หมายถึงชีวิตเราคุณภาพชีวิตคุณภาพคนคุณภาพงานมันขึ้นอยู่กับความคิดหมด เอาเบอร์ไสไตล์ก็พูดเหมือนพระพุทธเจ้าหรือบางทีอาจจะก็ปปี้ได้ซ้านะเก็บอกว่า imagination is more important than knowledge จินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้นี่ก็คือการให้ราคาแก่ความคิดนคนที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะเขาสำเร็จตั้งแต่ในวิธีคิดคนกระจอกก็คิดอะไรแค่แค่นี้ก็พอละไม่ต้องอะไรมากมาย พอเพื่อนทุ่มเททำงานนะะเดินก็ไปบอกทำไมเกต้องทำกันขนาดนี้ทำแค่นี้ก็พอแล้วทุ่มเทไปก็เท่านั้นแหละนายไม่เห็นหัวหรอกแล้วพูดอย่างนี้นะชาตินี้ก็เต็มที่ก็เป็นมนุษย์พอผ่านนะอยากเป็นมนุษย์มีสองประเภทนะหนึ่งมนุษย์ชั้นยอดสองมนุษ ย, ษ ย, ษย์พอผ่านเราอยากให้คนพูดถึงเราว่ายัางไงมนุษย์ชั้นยอดก็คือ มนุษย์มืออาชีพเห็นหน้าปับ๊บคนเชื่ออะไรวะองคคนนี้มาเองหรือองคพลาดไม่ได้อยากเจอไหมอยากเจอไม้มอยากให้เขาพูดถึงเราอย่างนี้ไ้ยโอ้โหวันนี้คนนี้มาพูดหรือต้องไปนี่ไม่ใช่ได้ยินวิทยากรจะมาพูดอ๋อเหรอ <c ười> แกไปสิฉันไม่ไปหรอกเ <c ười> นี่ยเราอยากเป็นคนอย่างนั้นไหม เป็นคนทั้งทีต้องเป็นคนที่คนอื่นได้ยินชื่อแล้วรู้สึกร้ อ, รองว้าวนะอยากให้คนได้ยินชื่อเราแล้วร้องว้าวไหมตือร้องอี <c oughs> ฉะนั้นเป็นคนทั้งทีต้องเป็นมนุษย์ฉันดีที่เรียกว่าเมื่อชื่ อ, อย่าเป็นมนุษย์พอผ่านทำอะไรสักแต่ว่าทำตามๆกันแล้วก็ไม่ได้มัดได้ผลอะไร เนี่ยหลักการทํางานแบบพระพุทธเจ้านะพ่อทางจิตวิญญาณของเราทาอะไรก็ตามทําให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุดพ้ออีกคนหนึ่งก็คือท่านพุทธทาสพุทธทาสพิคุเป็นพ่อทางจิตวิญญาณขอ ง, ของเราชาวพุทธท่านมีชื่อเสียงเรื่องลือระบือไกลไปทั่วโลกพีก่อนพระอาจารย์ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยฮาวาด ศาสตราจารย์คนหนึ่งเอาหนังสือมาวางเรียงกันเป็นตับสิบเล่มแล้วเปิดให้ดูทีละเล่มทุกเล่มนะั้นที่เขาเปิดให้ดูมีประกาเน้นข้อความขีดนไฮไลท์ไว้และบอกว่าพระอาจารย์ครับนี่นี่คืองานวิจัยเกี่ยวกับพุทธธศน์ที่ขู่ที่มหาวิทยาลายัยฮาวาดภาพรูปนี้เป็นตัวแทนของคนไทยในระดับโลกได้ มหาวิทยาลัยดั้งหนึ่งของโลกยกย่องขนาดนี้นะถามว่าแล้วพ่อองค์นี้ทํางานยังไงท่านพุทธทาสเป็นผู้ที่ทํางานทุ่มเทจริงๆนะเก็บทุกนิตสายของท่านท่านบอกว่าได้มาจากแม่แม่สอนท่านขูดมะพร้าวแล้วคั้นน้ํากะทิท่านบอกว่าคั้นน้ํากะทิคนอื่นคั้นสามรอบแต่ถ้าเป็นแม่ท่านแล้วก็สิบรอบทําถึงขนาดว่าอโยนกา ก, ากมะพร้าวทิ้งแล้วหมาแมวไปดมก็ไม่เจออะไร ท่านเล่าว่าทําเอาแมวเซ็งแมวเซง็งหมาเซงแมลงสาบเซง็งขันกะทิสิบรอบแล้วโยนกากทิง้งแมลงสาบเดินไปตามบอกไม่เหลืออะไรให้กินท่านบอกว่านี่ฉันได้มาจากแม่่ะท่านพูดอย่างนี้เลยครั้งหนึ่งท่านเทศในวันในวันแม่แห่งชาติท่านบอกว่าถ้าใครชื่นชมอัตมาภาพว่าพอจะทําอะไรได้ดีมีชื่ออยู่บ้าง อย่ามองแต่ชื่นชมอาตมาขอให้พวกเรานั้นชื่นชมไปถึงโยมแม่ของอาตมาเถิเพราะที่ทําอะไรได้ดีถึงที่สุดทุกวันนี้ก็เพราะแม่สอนมาเห็นไหมแม่สอนยอดคนด้วยการสอนให้ขันกะทิท่านบอกว่าคนทั่วไปขันกะทิสามน้ําก็เลิกแล้วถ้ารู้ไหมว่ามันยังมีน้ํากะทิอยู่อีกต้องขันต่อไปขันต่อไปขันต่อไปจนมันจืดขามือ และหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าจะเอาไปทิ้งยังเอาไปแปรรูปทําอย่างอื่นได้อีกและท่านได้นิสัยแม่ของท่านมานะสมมติท่านฉันข้าวถ้าท่านใช้ทิชชู่เช็ดเช็ดปากเช็ดมือเสร็จแล้วท่านจะวางไามถ้ามันแห้งท่านพลิกอีกด้านหนึ่งใช้ต่อในบรรดาบันทึกของท่านพุทธทาสมากกว่าสองแสนชิ้น คือหลังจากท่านมรณภาพไปนะท่านทิ้งมรดกทางภูมิบัญญากว่าสองแสนชิ้นไว้ให้โลกจนกระทั่งว่าลูกศิษย์ต้องตั้งหอจตมาเหหุพุทธทาสขึ้นมารองรับเพราะมันเยอะพวกเรารู้ไหมครึ่งต่อครึ่งของสมุดบันทึกที่ท่านบันทึกไม่ใช่สมุดเป็นสองจดหมายที่โยมไปบริจาคโยมเป็นนิ ม, มนต์กาดงานศพกาดงานแต่งน่คนตาไปให้ท่าน สำหรับคนอื่นของเรานี้เปิดดูครั้งเดียวก็ทิ้งใช่ไหมเปล่าอ่ะท่านพูดถท่านเก็บแ น, นวคิดดีๆของท่านหลายชิน้นปรากฏว่าท่านเขียนลงบนสองจุดหมายเหลือทิ้งเขียนลงบนการงานศบการงานแต่งซึ่งไม่มีประโยชน์แล้วแต่ท่านเก็บหมดท่านคิดไอเดียอะไรใหม่ๆถ้าท่านเขียนเขียนเขียนเขียนท่านก็บอกว่านิสัยใช้ของให้คุม้มอาตมาก็ได้มาจากแม่ เนี่ยพวกเราลองประหยัดดูซิใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุ้มค่าขนาดนี้ทาได้ไหมมีหนังสือเล่มหนึ่งท่านเราว่าเป็นหนังสือที่ภูมิใจมากใช้เป็นอนุสอนแทนตัวได้คือพุทธประวัติจากพระโอษอาริยสัจจากพระโอษฐไกวรยะธรรมสามเล่มนะชุดเนี่ยท่านบอกว่าใช้ตายแทนตัวใช้วางแทนตัวได้ วันหนึ่งเมื่ออรรมภาพตายแล้วหนังสือชุดนี้เป็นตัวแทนของอัรมภาพได้ทํวมาแต่งกี่ปีท่านบอกว่าคลาอยู่ยี่สิบปีพวกเราสู้ไหมแต่งหนังสือเล่มหนึ่งยี่สิบปีสู้ไหมให้เขียนคำนำรายงานครึ่งหน้ายังจะตายนะใช่ไหม <c oughs> ไปก๊ปี้คนนั้นคนนี้มาแล้วก็เปลี่ยนฟอน ใช่ไหมนี่คือคนรุ่นใหม่ก็ปี้วางก็ปี้วางเปลี่ยนฟอนต์นิดหน่อยเดี๋ยวก็เป็นของเราใช่ไหมนี่คือคนรุ่นนี้เจนวาไม่อดไม่ทนอะไรหรอกใจเร็วด่วนได้ยุคนั้นพุทธทาสเขียนหนังสือเล่มหนึ่งใช้เวลา20ปีและไม่มีพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์วิธีค้นพระไตรปิฎก45เล่มเป็นล้านบรรทัด กว่าสองหมื่นนาะใช้วิธีพลิกทีละหนะ้าแล้วต้องการข้อความไหนจดบันทึกไว้คัดลอกออกมาแล้วเดทพิมพ์เดทด้วยมือจนท่านลวัท่านน่ะนิ้วล็อกเพราะเดทพิมพ์เดททุกวันต๊กเตกต๊กเตกต๊กเตกต๊กเ ต, ตกทุกวันทุกวันทุกวันทำกันอย่างนั้นเขียนแล้วเอาไปตีทิมแล้วตีทิมเสร็จส่งกลับมาตรวจไม่พอใจเขียนเพิ่ม เขียนเพิ่มเขียนเพิ่มท่านบอกว่าพานไปยี่สิบปีถึงพอใจทั้งหนึ่งมีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพยอมเป็นพระหนุ่มไปอยู่กับท่านเห็นนั้นพุทธทัตแต่งหนังสือวันละสิบหกชั่วโมงไปหาท่านหลวงพ่อหลวงพ่อจะแต่งทำไมหนังสือเล่มใหญ่เอามันหนุนแทนหมอนยังได้เลยใครมันจะอ่านพระพยอมยังขนองอยู่ตอนนั้นเป็นพระหนุ่มแต่เป็นนักเทศแล้วนะ ฝึกงานอยู่ที่ส่วนมมกท่านพุทธรรมก็บอกว่าคุณจะไปรู้อะไรผมนี่เหมือนพ่อครัวชั้นดีพ่อครัวชั้นดีนั้นต้องไปหาวัตถุดิบมาเตรียมไว้แล้วเตรียมเครื่องครัวให้พร้อมปรุงไว้ให้เสร็จสับลูกค้าเดินเข้าร้านมาสั่งปุ๊บเราปรุงแล้วยื่นเลยที่ผมทำว้ทั้งหมดนี่คืออาหารทางปัญญาของชาวโลกคุณจาไว้ วันหนึ่งจะถึงเวลาที่โลกต้องการทะและเมื่อวันนั้นมาถึงนี่คืออาหารทางบัญญาที่ผมปรุงไว้แล้วปรากฏว่าพอท่านลงรับดำขันยูเนสโกประกาศให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกทุกวันเนี้ยคนศึกษางานของท่านทั่วโลกนะและไม่มีใครบ่นเลยเพราะอะไรท่านทําไว้ครบหมดเกือบทุกแง่ทุก ม, มุมท่านพูดทุกๆประเด็นเลยทีเดียวเห็นไหม ตำรับตำรามนามีทั้งหลายเนี่ยชุดของพุทธท่านเนี่ยตอนนี้เอาวางจากพื้นในสูงจ์จรวดเพดานนะลายมื อ, อ ก, กว่าสองแสนชิ้นมีคนทําวิจัยจบปัญญาตรีปรัญญาโทปิญญาเอกเพราะท่านเกินกว่าสองร้อยคนในโลกนี้เห็นหรือยังนี่คือพ่อครัวหัวปลาทางเ็นดานทํางานทุกชนิดโดยการถือกติว่าหนึ่งทอะไรก็ตามนะจะทาให้ดีที่สุด เหมือนยอมแม่สอนคั้นกะทิคั้นจนกระทั่งว่าแมวเสงในกะบมาพร้าวไม่เหลืออะไรให้ดูดรับชึมซับแล้วแมลงสาบเดินไปดมยังถอยหนีเลยนั่นน่ะสองใช้วัสดุทุกชนิดให้คุ้มค่าที่สุดเป็นต้นแบบของการประหยัดมีไซเคลสามเมื่อทำงานทุกจิน วางชีวิตลงเป็นเดิมพันประทานาว่าเมื่อเราลงรับดับขันไปงานนั้นจะอยู่เป็นอนุสาวรีแทนตัวทุกวันนี้ท่านลงรับดับขันไปแล้วแต่ชื่อนี้ยังอยู่ไหมชื่อนี้ไม่มีเลือนหายเลยนี่วิธีทํางานก่อนพวกเราพ่อคนที่สองเอามาถึงพ่ออีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนสลักสําคัญอะไรเพราะเราไม่รู้จักหรอกแต่อยากจะเล่าไว้เพราะว่าวันนี้วันที่สอง สามสี่เนี่ยสามวันถึงวันพ่อแล้วในฐานะลูกคนหนึ่งอันตระพาก็อยากจะพูดถึงพ่อแต่งแม้ว่ายมพ่อของอันตระพัไม่ใช่บุคคลสําคัญของประเทศนี้ในสายตาคนอื่นนะพ่อเป็นแค่คนคนหนึ่งแต่ในสายตาของพระลูกชายอย่างอันตมาพ่อคือคนดีที่หนึ่งในสายตาของโลกพ่อคือชาวโลกคนหนึ่ง แต่ในสายตาของลูกพ่อคือโลกใบหนึ่งทํามาจากยยมพ่อของอาตามาภาพนั้นสั้นมากง่ายมากในยุค ข, ของพ่อพ่อไม่ได้เรียนหนังสือพ่อมีลูกหกคนปากกัดตินทํางานทุกชนิดเพื่อที่จะเลี้ยงลูกแล้วยอมเสียสลามไม่เข้าโรงเรียนให้แม่ไปเข้าโรงเรียนน่ะยอมแม่ธรรมาจบป .4 ยอมพ่อธรรมาตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกทํางานทุกชนิด เอาแรงเข้าแรกเท่าที่จะสามารถหล่อเลี้ยงลูกได้มีอยู่ปีหนึ่งอาตมภาพจะต้องไปเข้าโรงเรียนตอนนั้นอายุเจ็ดขวบพี่ชายพี่สาวเข้าโรงเรียนหดอาตมภาพนี่ถูกปล่อยให้ตามพ่อตามแม่ไปน้ำไปหนองไปหาอยู่หากินจนมีชีวิตกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติรอบบ้านไม่รู้เลยว่าโลกนี้นะเด็กต้องไปโรงเรียน อาตธรรมภตามยมพ่อไปหนองไปหนองน้าไปหาปลาตามยมพ่อไปป่าไปหาของป่าตามยมพ่อไปขึ้นไปปีนต้นหมากยมพ่อปีนต้นหมากรับจ้างอาตธรมภาพไปยืนอยู่ข้างล่างยมพ่อปีนนานมากจากต้นหนึ่งกระโดดไปต้นหนึ่งเป็นยีสบต้นสาสิบต้นไม่ลงสเสดีเรายืนร้องไห้อยู่ใต้ต้นหมากแล้วก็ตามยมพ่อไปไปบนภูเขาไปเก็บเห็ด ไปหาไข่มดแดงจนชีวิตของอัตมาภาพเนี่ยถ้าไม่อยู่เขาก็อยู่ป่าก็อยู่หนองน้ำอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กทุกคนต้องไปโรงเรียนพราะหนึ่งเมื่ออายุเจ็ดขวบเพื่อนเพื่อนรอบๆอบนะ่เขาไปโรงเรียนกันหมดอัตมาภาพไม่ไปแม่พ่อยาติพี่น้องต้นไปโรงเรียนไม่ไปอาตมาภาพวิ่งเข้าไปในเรือในสวนนะไล่ล่ากันอยู่ครึ่งวัน จะฉับไปโรงเรียนไม่ไปวิ่งจนกระทั่งวันเหนื่อยหอบกันทั้งพ่อแม่ลูกสุดท้ายอัตตาภพกลับเข้าไปใต้ถุนบ้านยังพ่อเข้าไปไม่ถึงใต้ถุนบ้านมันเตี้ยพ่อก้มลงไปมองธรรมาธรรมานั่งยองๆแอบอยู่หลังเสาพ่อตะโกนถามว่าไม่อยากไปโรงเรียน ระวังจะโง่งเหมือนพ่อนะเป็นคำเดียวจริงๆที่ทำให้เจ้าเด็กน้อยคนนั้นคลานออกมาจากหลังเสาแล้วมาสยบอยู่แทบเท้าของพ่อพ่อจับอาบน้ำและอุ้มไปที่โรงเรียนพ่อไปส่งแม่ไปส่งจาได้พอไปถึงหน้าห้องเรียนคุณครูออกมารับพ่อแม่หันหลังกลับร้องให้สุดเสียงเลยโอ้ ไม่เอาจะไม่ไปโรงเรียนฉันไม่ไปร้องไห้จนตัวเสียน่ะเพื่อนเพื่อนทั้งห้องที่เขาเรียนกันก่อนนั้นนั้นเขาหยุเดเรียนออกมายืนมองมองดูตัวประหลาดมันไม่อยากมาโรงเรียนร้องไห้ไปถึงวันแรกก็สร้างวีรกรรมทันทีครูให้นับหนึ่งถึงยี่สิบทั้งห้องเมืองเหนือเนี่ยยี่สิบเขานับเป็นสาว คนนับทั้งห้องเลยหนึ่งสองสามสี่สิบเก้าทุกคนยี 20, ่สิบอาดมาลุดสาวคนเดียวทั้งห้องหันมามองเป็นตาเดียวมาจากป่าไหนยังจำความเขินะเขินอายตอนนั้นได้จะถหนึ่งทุกวันนี้นี่คือคนที่งโง่ที่สุดคนหนึ่งของหมู่บ้าน และพ่อกับแม่ต้องป่วนกับอัตมภาพอีกนับอาทิตย์เพื่อได้จะปล้าให้ไปโรงเรียนและเห็นคุณค่าของการเรียนอัตมามาพย้อนนึกดูถ้าวันนั้นอัตมาภาพไม่ฟังย่มพ่อไม่จุก ค, คิดว่าถ้าไม่ไปโรงเรียนจะโง่วันที่พ่อสอนตอนนี้จะเอาปัญญาที่ไหนมาเทศมาสอนมาเขียนหนังสือหรือมาทําประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมโลก พ่อตรรมภาพเรียนไม่สงูงถ้าจะพูดให้ถูกพ่อไม่ได้เรียนแต่การเรียนกับการมีปัญญานั้นไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปสตีฟจ็อบก็เรียนไม่จบมาร์เซ่เกอร์เบิร์ก็เรียนไม่จบเบลเกสก็เรียนไม่จบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดสนรู้ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดราจการที่สี่เาจการที่ห้าที่รับมือกับ จักวัด น, นิยมตะวันตกก็ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยการเรียนกับการมีปัญญาอาจไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปเช่นเดียวกันพ่อไม่ได้เรียนในระบบแต่พ่อเรียนในมหาวิทยาลัยชีวิตพ่อไปหนองน้ำไม่เคยกลับบ้านโดยไม่มีปลาอยู่ในมือพ่อปีนต้นไม้ไม่เคยกลับลงมาโดยไม่มีส้มสุกลูกไม้อยู่ในมือพ่อ ไปหาของป่าบนเขาไม่เคยกลับลงจากเขาโดยที่ไม่มีของป่าติดมือพ่อไปตามท้องไร่ท้องนาไม่เคยกลับจากไร่จากนาโดยไม่มีกฎไม่มีเขียดอยู่ในมือพ่อไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พ่อก็เป็นพ่อค้าขายข้าวขายหมากขายเมีย่ยงไปทำมาค้าขายจนถึงประเทศพมา่า ไม่ได้เรียนหนังสือไ ม, ไ, มมไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญญาฉะนั้นใครต่อใครหลายคนที่ไม่ได้เรียนหนังสืออย่ามานั่งน้อยใจนะปัญญามันหากันได้อยากรู้เรื่องอะไรฝึกเอาอยากรู้เรื่องอะไรสนใจเอาอยากเก่งเรื่องอะไรเดินเข้าไปหาสิ่งนั้นแล้วทำซ้ำๆทำซ้ำๆแล้วยำ้ำบ่อยๆ อ, อะไรที่เรายังทำได้ไม่ดีพอแสดงว่าเรายังฝึกน้อยไป อะไรที่เรายังไม่เข้าใจแสดงว่าเราให้ความสนใจมันยังไม่มากพอนี่คือยมพอ่อของอนตมาภาพซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยชีวิตแล้วสอนลูกด้วยคำสอนที่ไม่ซับซ้อนเลยถ้าไม่อยากโง่เหมือนพ่อไปโรงเรียนเนี่ยพะ้อยากฝากพวกเราทุกคนความรู้นั้นเป็นของกลางวางนิ่งๆอยู่ในตำหับตาราหรือ วางนิ่งๆอยู่ใน Google คุณอยากมีความรู้คุณก็แค่เดินก็ไปหาความรู้นะถ้าเราเดินก็ไปหาความรู้ความรู้มันอยู่กับที่เดี๋ยวมันก็เสร็จเราใช่ไหมอันนี้จึงอยากฝากพวกเราทุกคนว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะจงบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จงบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แล้วเราจะได้เป็นผู้รู้เพราะการเป็นผู้รู้ไม่เคยถูกสังวรเลย ก, กเกษ็จไ้สาหรับใครคนใดคนหนึ่ง นี่เป็นธรรมะจากยมพ่อของธรรมภาแต่เมื่อพูดถึงพ่อก็ต้องพูดถึงแม่นิดหนึ่งแม่ก็สอนสั้นมากนะแม่บอกว่าขึ้นห้วยขึ้นให้สุดขุนนะลูกแปลว่าทาอะไรก็ตามทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ธรรมภาพเมื่อเรียนหนังสือตั้งปณิธานม่าถ้าฉันเรียนหนังสือฉันจะไปให้ถึงประเด็นทําเก้าวประย ซึ่งเป็นสุดสายปลายทางของการเรียนพระประิยติธรรมแผนบาลีเพราะแม่บอกว่าขึ้นห้วยขึ้นให้สุดขุนทําอะไรทําให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุดอ่ะอันนี้ก็ฝากเป็นคติธรรมําสอนสําหรับพวกเราทุกคนในวันนี้นะฉะนั้นกลับบ้านไปใกล้วันพ่ออย่างนี้จงทําดีต่อพ่อจงทําดีต่อแม่และเนื้ออื่นใดจงทําทุกวันให้เป็นวันพ่อให้เป็นวันแม่นะถ้าทําได้อย่างนี้ ท่านจะมีความสุขและแน่นอนเราก็มีความสุขขอให้พวกเราทุกคนจงมีความสุขจงมีความเจริญทั้งในหน้าที่การงานแล้วก็ในการดำรงชีวิตโดยทั่วการทุกท่านทุกคนเอ <c oughs>